อผู้ที่บริบูรณ์ทุกอย่างทุกอย่างสมใจนึกหมดเลยเนี่ยทุกอย่างสมความปรารถนาหมดข้าวของเครื่องใช้เรียกว่าจักรพรรดินะแบบจักรพรรดิไม่ใช่แบบจักรพรรดิสมัยใหม่เนะนะจักรพรรดิแบบพระเจ้าจักรพรรดิที่ปกครองโลกโดยธรรมเนี่ยเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยความสุขใช่เราบอกว่าความสุขเหล่านั้นทั้งหมดที่เกิดจากแก้วสี่ประการความสําเร็จสี่อย่างเป็นต้นเนี่ยความสุขเหล่านั้นเนี่ยถ้าเทียบไปแล้วก็เหมือนกับ ก้อนหินแผ่นย่อมย่อมเท่าฝ่ามือถ้าเทียบกับความสุขของเทวดาทั้งหลายก็เหมือนกับภูเขาหิมะวันเนี่ยนะหรือเขาหิมะพาณ์เนี่ยนะยิ่งใหญ่ขนาดนั้นทีนี้เรามาดูว่ามนุษย์ทั้งหลายเนี่ยนะไม่ได้สุขแบบพระเจ้าจากาักรพรรดิอะไรเลยไม่ได้ถึงขนาดนั้นปัญหานี่ร้องให้กันเครียดกันปกติเลยเนี่ยนะแต่ขนาดนี้เขายังเพลิดเพลินขนาดนี้เขายังติดข้องขนาดนี้ แล้วถามว่าถ้าไปเจอในสุคติโลกสวรรค์เขาจะขนาดไหนเนาะเขาก็ยังประมาทอยู่ดีสําหรับผู้ที่ไม่มีอัธยาศัยน้อมไปเพื่อทําที่สุดแห่งทุกข์ไม่มีอัธยาศัยน้อมไปเพื่อปรารถนานิพพานเนี่ยนะกอยมโอนเคยเห็นไหมว่าฝรั่งต้องการหาความดับทุกข์น้อยมากน้อยจริงๆคือความสุขแบบหมู่ฝรั่งทั้งหลายนี่แหละคือคล้ายๆกับสุขในสวรรค์รก็ประสงค์อนั้นเพราะว่ากลุ่มเหล่านี้เนี่ยนะโดยมากก็ รือว่าสิ่งที่มีเนี่ยมันเป็นความสุขพวาะที่พูดแสวงหาสุขอะไรรู้ไหมสุขขกายยะวิญญาณแสวงหาสุขากายยะวิญญาณแสวงหาความสุขจากจักรคู่ทวารบั่งโสตทวารบั่งคานาทวารบั่งชิวหาทวารบั่งแสวงหาความสุขจากกายยทวารบั่งปล่อยให้จิตเป็นบาปเป็นอกุศลแล้วถามว่าความสุขทางประสาทสัมผัสเนี่ยได้มาโดยง่ายหรือไม่ง่ายเลยไ ง, ไงวั้งเพราะความคิดเขาวิจิตมาก อยู่ฝรั่งแต่ว่าอยากจะอาบแดดที่เมืองไทยยังไงนะแล้วเดือดร้อนขนาดไหนจะมาได้ยังไงนะไม่ใช่ง่ายๆนะที่จะได้มาเนี่ยคิดเป็นเรื่องเป็นราวเลยแหละเครียดจนกว่าจะได้มาเนี่ยบางคนก็เอาชีวิตไปทิ้งใช่ไหมซึ่งคนไทยที่มาอินเดียมาไหว้พระมาลําบากนะได้ยินไหมว่าตายไ ป, ไปบ้างแล้วไม่มีเพราะมายังไม่เคยได้ยินเลยนะจริงๆนะวัดบางคมาถึงแล้วตายกลับไปเนี่ยยังไม่ได้ยินเลยนะว่ามาอินเดียแล้วเนี่ยที่ว่ามันลําบากลาบากนะ ถ้าเทียบพูดอย่างนี้ไม่ได้ทําให้เสียการน้องเที่ยวไทยนะแต่เล่าให้ฟังว่าฝรั่งไปไทยนี่ตายไม่ใช่น้อยไปประสบอุบัติเหตุบ้างไปอะไรบ้างไปถูกป้นบ้างไปถูกฆ่าบ้างไปถูกคมคืนบ้างเนี่ยนะแต่ว่าไทยมาอินเดียนี่มันทุกขตาขนานี้ทนำะไม่มีปัญหาพวกนี้นะเออสิแนบว่ามันเป็นอย่างนี้นี่ว่าผู้ที่มาไหว้พระเนี่ยนะเขาไม่ได้มาสแสวงหาความสุขทางกายรู้แล้วว่าทุกคนก็รู้ว่าลําบากเหน็ดเหนื่อย รู้แล้วว่าถนนไม่ดีรู้แล้วว่าจะต้องปวดต้องเมื่อยเป็นต้นแต่ว่าก็ยังยังปรารถนาที่จะไปเดี๋ยวเราจะรู้ว่าพรุ่งนี้จะรู้กันจริงรู้กันเนี่ยว่าพรุ่งนี้ถนนดีกว่าวันเมื่อวานเพราะว่าถนนไปเส้นนี้ค่อนข้างดีเพราะรับที่เราจะไปข้างหน้าต่อไปเนี่ยเป็นรัฐที่รวยรัฐนี้คือรัฐที่ยากจนที่สุดเนี่ยรับพิหารเนี่ยรับบิหารเนี่ยจนที่สุดกระเพื่อนเล ย, เยถ้าเป็น ประเทศไทยก็รัฐภาคอีสาะนะนั่นนะรัฐนั้นนะคือเป็นรัฐที่เคยเจริญที่สุดโบราณแต่ตอนนี้เป็นรัฐที่พระครูท่านเล่าบอกว่าถ้าเป็นราชาคารก็เป็นกลุ่มราชาการชั้นล่างที่สุดเนี่ยนะที่ไม่ได้ขึ้นงอกเลยอะไรแบบชาวบ้านชาวเมืองเขาอกว่สติปัญญาก็น้อยกว่าพวกแล้วก็รูปร่างกายก็ไม่งามเหมือนรัฐอื่นๆรัฐอื่นๆถ้าเทียบไปแล้วเขาเจริญกว่ารัฐนี้มากรัฐนี้ยากจนที่สุด เพราะฉะนั้นเราก็ถือว่ามาถินกันดานที่สุดของอินเดียเนี่ยนะบางท่านก็เลยนึกว่าอินเดียนี่ยากจนแต่จริงๆก็มีคนที่เขาเขามีความสุขเขามีฐานะกว่าประเทศไทยเนี่ยที่ ก, ก่อนแม่คุณหลานเล่าให้ฟังว่ามีเงินเป็นพันล้านนะประมาณสองรอยล้านคนเขาบอกว่าโดยประชากรที่รวยในรวยกอเมริกาวางอันนั้นนะอันนี้คนที่มีฐานะคือผู้การพูดใช้คําว่าสุดๆนี่อยู่ที่อินเดีย สุดๆเนี่ยนะอยู่ที่อินเดียใช่ไ<า>สังเกตดูจากโรงแรมที่เราไปพักคืนแรกดูสิ<า>เราอยากเชื่อหรือว่ามีโรงแรมแบบนั้นอยู่ตรงนั้นนะน<า>ะอย่าม้วนอยากเชื่อไหมแทบไม่อยากเชื่อเลยนะว่าเออมีอยู่จริงหรือเนี่ยว่ามีอย่างนั้นแต่ว่ามีอย่างนั้นจริงๆ<า>งแล้วที่อื่นๆเนี่ก็ไม่ใช่ว่าที่เลวร้ายนะหลายๆแ ห, ห่งก็ดีกว่านี้เยอะเนี่ยนะแต่ถามว่านี่คือว่าทุกอย่างในโลกนี่นะเราได้เห็นแต่กลุ่มพวกไหน จริงๆเราที่ได้มาเห็นคนทุกคนยากกับมันดีแล้วถ้าเราเห็นคนเดือดร้อนเท่าไหร่เห็นคนลําบากเท่าไหร่พวกนี้เป็นสังเวกวัตุสังเวกวัตถุเป็นเหตุใกล้แห่งกุศลจิตแต่ถ้าหากว่าเราไปเห็นคนที่โอถงเป็นต้นเน่ยนะอะไรเกิดตัญหาสิเกิดอยากมีมั่งอยากเป็นมั่งอยากอะไรเนี่ยนะอยากมีภาระแบบนั้นมั่งเป็นต้นเนี่ยนะมันก็ก็เป็นปัจจัยแห่งตัญหาพันถ้าหากว่าเราเห็น คนทุกคนยากเห็นคนยากคนจนเห็นคนขอทานทั้งหลายเป็นต้นเนี่ยทําให้เรารู้เลยว่านี่นะคือวัตฏะชีวิตในวัตฏะจริงๆแล้วอยู่ในสภาพนี้คนที่มั่งมี ม, มีไม่เท่าไหร่หรอกแต่คนที่เดือดร้อนสิเห็นไหมเขาเนี่ยใช้เขาเดินเพื่อมาขอทานไม่ได้ไปฟังธรรมที่ไหนเนะ่ยเ อ, อมีเยอะจริงๆแล้วก็คนกลุ่มนี้เนี่ยนะมีมากใช้เขาเดินเพื่อไปขอทาน รหัสขอทานทางนี้นะก็จําง่ายมากรูหนะ้าที่แบบว่าภาษาไหนก็ฟังออกเลยดูเห็นทันทีเลยดีนะก็คือรูปปากอะ่ะแล้วก็แบมือเนี่ยรู้เลยว่าแปลว่าอะไรเนี่ยนะรูปปากรูปท้องแล้วก็แบมืออันนี้ก็เห็นแล้วเข้าใจเลยนะภาษาที่เป็นประมัดจริงๆภาษาปรมัดสภาวะที่สื่อถึงกันเลยนะสื่อถึงกันเลยอืมนีวัตตะนะแต่จริงๆรู้ไหมว่านั่น เขาประกาศสัจจะให้เราดูเขาบอกว่าประกาศความจริงให้เราดูว่าท่านทั้งหลายเมื่อก่อนข้าพเจ้าก็เคยมีเช่นท่านนั่นแหละแต่ข้าพเจ้านี่หวงแหนเหลือเกินตนีเหลือเกินข้าพเจ้าคิดว่านั่นคือสมบัติของข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็เลยไม่ยอมให้ทอนข้าพเจ้าห่วงแหนดูแลอย่างที่สุดด้วยความตนีทีเหนียวจะด้วยเหตุผลใดก็ตามข้าพเจ้าไม่ยอมบริจาค ในที่สุดข้าพเจ้าก็ต้องมาเป็นแบบนี้ข้าพเจ้าก็เดือดร้อนข้าพเจ้าก็ขออนุโมทนากับท่านที่ท่านมั่งมีเพราะท่านมั่งมีนั่นแหละข้าพเจ้ามาแสดงความยินดีข้าพเจ้ามาบอกท่านว่าท่านจงให้เช่นที่ท่านเคยให้เธอเพราะถ้าท่านให้แล้วท่านจะไม่เดือดร้อนเช่นข้าพเจ้าเขาก็มาเตือนเราขณะเดียวกันเขาก็บอกนะว่าถ้าท่านไม่ให้นะท่านก็คือลูกหลานข้าพเจ้านะข้าพเจ้าจะเป็นบรรพบุรุษของท่าน ข้าพเจ้าจะเป็นต้นตระกูลของท่านอีกไม่นะานั่นก็พวกนี้ลูกหลงมากเลยต้องห่วงพวกมีศีลไม่ค่อยมีลูกอ่ะเชื่อนะหลายคนนะของมาดูบัญชีรายชื่อเนี่ยนสอเกินครึ่งอ่ะนสอเนี่ยนะเขาบอกว่าถ้าเป็นนอสอสายธรรมะเนี่ยอย่าไปคิดว่าายุน้อยนะแปดสิบก็มีอย่างเงี้ยนอสเจ็ดสิบเก้าอย่างเงี้ยนั่นแหละเนพราะนั้นก็คือไม่ค่อยมีลูกอะไรไม่ค่อยมีลูกนอสอจะไมปมีลูกได้ยังไงใช่ไหม พวกมีศีลมีธรรมจริงๆใจดีมันมีลูกมีล้านอะไรเราแต่อุย้ยด่าเก่งก็เก่งไม่มีศีลเสียศีลทุศีลเนี่ยลูกดกหน้าดูเลยนะขอทานค น, คนยากคนจนเนี่ยนะทีนี้ถามว่าถ้าเราจะมาใหม่จะมาในสภาพไหนคนเราทั้งหลายโดยทั่วๆไปนะปกติเนี่ยคนจะนึกถึงอาหารคนที่นึกถึงอาหารเนี่ยนะน้อยคนนักนะที่นึกแล้วก็ต่อด้วยทานนะกุศล เมื่อนึกถึงอาหารแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นเนี่ยนะที่จะนึกเลยไปหาทานน ก, กุศลเนี่ยน้อยนักใช่ไหมคิดแต่จะบริโภคโดยส่วนเดียวที่เป็นเช่นนั้นเพราะอะไรรู้ไหมด้วยอำนาจของมัจฉริยะด้วยอํานาจของตัญหาด้วยอํานาจของความตนีเสร็จแล้วเขาก็จะเป็นผู้ที่เดือดร้อนเรื่องอาหารที่สุดพระองค์ตรัสว่าคนพานกลัวสิ่งใดสิ่งนั้นนั่นแหละจะเข้ามาหาคนพานคนพานกลัวความทุกข์ความยาก ก็เลยตระหนี่ใช่ไหมคนที่ตระหนี่นี่จริงๆนะถ้ามองแบบเหตุผลแบบเขานะมันน่าเห็นใจเขานะน่ายินดีด้วยกับเขาอ่ะที่เขาประหยัดจนขนาดมากเขาเก็บรักษาเป็นอย่างดีจนไม่ยอมให้ไม่ยอมอะไรเลยนะถ้ามองแบบเหตุผลถ้าไม่มองชาติหน้าไม่มองอะไรนะก็เห็นด้วยนะเพราะเขาอุตสาหหามาด้วยความเหน็ดเหนื่อยใช่ไหมหามาด้วยความเหน็ดเหนื่อยทํางานเหนื่อยมาแทบตายแล้วไปเที่ยวแจกเขาอ่ะใครก็ไม่รู้มันจะลูกล้านซะหน่อย เป็นต้นเนี่ยทําไมเราต้องไปให้เขาเราก็ทํางานมาเหนื่อยอ่ะกว่าจะได้เราก็สมควรใช้สอยสมควรบริโภคนะไหมถ้าคิดแบบฝรั่งอัะนะมันก็เป็นอย่างนั้นแต่นั่นคือมองชาติเดียวจริงๆนะคนที่เหนื่อยกว่าคุณแล้วหาไม่ได้มีเยอะไหมคุณเหนื่อยเท่ากรรมกรไม่ละเอาาถ้ไมไ่เหนื่อยเท่ากรรมกรแล้วกรรมกรนะชี้หน้าได้เลยหนี้สินทางนั้นถ้ากรรมกรเมืองไทยวันก่อนมีโยมคนหนึ่งเขาขับรถเนี่ยนะ ก็ว่าทำไมวันนี้คุณมาชาเขาบอกคุยกับแม่บ้านยังไม่ลงตัวเลยเหมือนกันเพราะว่าเนี่ยทํางานเหนื่อยแทบตายนะครับเี่ค่าแชร์เนี่ยหักไปแล้วมันเหลืออยู่ไม่กี่ร้อยบาทเนี่ยทั้งเดือนเนี่ยนะก็เลยคุยกันไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่เลยนะเดือดร้อนถึงพระอี ก, ก น, นะพระจะไปแสดงธรรมก็เลยไปยาก <c oughs> <laughs> เพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาเดือดร้อนจริงๆนี่สินกันอินุงตุงนางว่าต้องผ่อนทีวีผ่อนพัดลมผ่อนตู้เย็นผ่อนสารพัดผ่อนเนี่ยนะ แล้วก็รายได้ก่อนอ้อยรสนิยมก็สูงก็เป็นอย่างนี้ถามว่ามันจะเดือดร้อนกันขนาดไหนก็เดือดร้อนจริงๆนะหมูสัตว์นี่เดือดร้อนมากๆเลยเดือดร้อนเรื่องมหาพูดแต่จริงๆนะถ้าใครที่ทําปริญญาเนี่ยที่พระพุทธเจ้าตรัสว่ามหาพูดคือมหาผีเป็นสิ่งที่หลอกลวงมหาพูดคืออสารพิษที่มีพิษร้ายแรงเป็นต้นเนี่ยไม่ผิดเลยถ้าคิดให้ดีๆจริงๆเนะี่ยเพราะทุกคนทั้งหลายโดยมากถูก มหาพูดกัดมีสักกี่คนที่อยู่ในโลกของมหาพูดอย่างสุขสบายไม่มากเห็นคนมีความสุขกับคนมีความทุกข์ไหนมากกว่ากันคนสุขภาพดีกับคนสุขภาพไม่ดีไหนมากกว่ากันเรารู้ว่าคนที่มีความสุขจริงๆเนี่ยน้อยนะแต่ทุกคนก็หวังว่าข้าพเจ้านี่แหละคือผู้มีความสุขนะนะใช่ไหยก็ยังหวังลึกๆถามว่าไอความหวังลึกๆว่าเขาจะมีความสุขนี้ เขาอะไรเป็นเครื่องรับรองเขาบอกเ้าเอาตัญหาของเขาปัญหามันบอกว่าเขาจะมีความสุขนะเขาจะสบายแต่ถ้าผู้มีกรรมมศกตาปัญญาเขาจะคิดอย่างนั้นไหมผู้ที่มีกรรมมศกตาปัญญามองเลยโอ้โหชีวิตนี้มันมีแต่ทุกข์นะเนี่ยถ้าพิจารณากรรมและผลของกรรมถ้ามองชาวนะทุกๆชาวนะให้ผลสามระยะแล้ววันหนึ่งวันนี้กี่ชาวนะใช่หถ้าผลบุญวันนี้ให้ผลนะแหม ย, ยินดีต้อนรับ มาเลยรีบมาเลยเนะยจะเอาใช่มถ้าบุญวันนี้ให้ผลเอาไหมเอาแต่ทีนี้ว่าวันเช่นนี้เนี่ยถ้าทั้งชีวิตมีกี่วัน <c oughs> <c oughs> บางคนบอกว่าเพิ่งมี <c oughs> อยยางงี้ที่จะลำบากแล้วกันนี้เนี่ยถามว่าแล้วที่เหลือละ่ะมาคิดแบบสูตรคิดเลขคณิตเนี่ยะอะไรจะเกิดขึ้นเดือดร้อนแน่ทัานก็ควรแล้วที่เราควรจะปราบเพื่โมโสมนัดดีใจได้เลยว่า เรานั้นนับว่าในบรรดาผู้มีบุญทั้งหลายเราก็ชื่อว่าเป็นผู้มีบุญที่ได้นับถือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบุญเหล่านี้เราก็ได้ปลูกฝังอัธยาสัยที่เลื่อมใสปลูกฝังสัตทินสีของเราในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพระธรรมและก็ในพระสงฆ์สัตทินสีอันนี้ก็กระยิมในธรรมเป็นที่พ้นทุกข์คืออสังคตธรรมธรรมเป็นที่พ้นทุกข์ ท่า น, นสัตทินรีเหล่านี้เนี่ยนะท่านทั้งหลายก็ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อทำโสดาปฏิพนให้แจ้งแล้วเขามาก็เป็นคนที่แห้งแรงปีติเหมือนกันนะมันอย่าไปนึกว่าเป็นคนที่มีปีติอะไรง่ายๆนะไม่ใช่เลยแต่ก็วันนี้ก็มีปีติกับเขาเหมือนกันเลยนะไปยืนดูหลวงพ่อเมตตาอยู่ว่าเออสวยปีติกับเขามั่งเหมือนกันเลยนะก็นะคือปีติแต่ว่าปีติก็มีบ่อยพอสมควรไอ้ปีติที่ขนาดเรียกว่าเลยนะขนลุกเป็นต้นเนี่ยไม่ค่อยแบบนั้นอนะ คือส่วนใหญ่ก็จะปีติด้วยอํานาจกุศลประเภทยาณสัมปยุตถ้าอย่างนั้นจะปีติปีติประเภทนั้นเนี่ยมีบ่อยแต่ว่าปีติแบบลักษณะแบบอะไรนะแบบง่ายๆแบบคนมีความสุขสบายใจจริงๆนะถ้าอย่างนี้ น, ะนานๆจะมีสักครั้งหนึ่งแต่วันนี้ก็ได้ปีติกับเขาเหมือนกันนะก็คือมีปีติอยู่หลายครั้งแต่ว่าเฉพาะตอนตอนจะปราบาลาหลวงพ่อเมตตาเนะี่ยก็ตรง น, นั้นแหละได้มีปีติ คือทำให้มันสบายใจมากเนี่ยนะมีความสุขกับการเจริญพระพุทธคุณเป็นต้นอันถ้าหากว่าผู้ที่ได้นับถือพระพุทธเจ้ามีพระพุทธเจ้าเป็นเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาเนี่ยนะเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัสเป็นที่ตั้งแห่งปีติเนี่ยคือเขาได้ปีติในสิ่งที่ควรมีปีติเขาได้ศรัทธาในวัตถุที่ควรแก่การศรัทธา แต่ถ้าเขาไปมีปีติอย่างอื่นนะเช่นปีติที่จะได้เงินอย่างเงี้ยเขารู้ว่าปีติอันเนี้คือปีติแห่งน้ําตาผู้ที่มีจักขุวิญญาณเนี่ยนะรับรูปารมณ์ที่สังสมมาสีอสงไขยแสนกับการที่มีทัศนานุตริยะเหล่านั้นเนี่ยจะดีแค่ไหนเขาเหล่านั้นเนี่ยเป็นผู้มีบุญจริงหนอ ของเราถึงเราบุญไม่มากขนาดนั้นเนี่ยพองษ์ก็บอกว่าสังเวชนียสถานเป็นสถานที่ที่ผู้มีศรัทธานี่ควรไปถามว่าถ้าเราไม่มาในสังเวชนียสถานแบบนี้เนี่ยความคิดเหล่านี้เราจักมีหรือเราจักไม่ได้ความคิดเหล่านี้เลยทีนี้ถามว่าเออเนี่ยมันเสียค่าใช้จ่ายนะมันลําบากเชื่อไหมถ้าเราเอาค่าใช้จ่ายของเราไปเรื่องไม่เป็นเรื่องนะปีหนึ่งไม่ใช่น้อยนะ กลับไปคุยไปบางแห่งไปทุระที่เรียกว่าไม่ใช่ทุระอะไรเลยเนี่ยถ้าเทียบนะมันเกินสิบห้าวันนะในหนึ่งปีเนี่ยเกินสิบห้าวันที่จะมาอย่างนี้ถ้าเทียบค่าใช้จ่ายนะช้อปปิ้งวันหนึ่งนี่ก็หมดไปหลายแล้วใช่ไหมก็มีบางคนที่เรียกว่าสละทุกอย่างเลยนะคือบางคนเนี่ยนะเขาจะจ่ายแพงกว่าคนอื่นหลายเท่าตัวนะอย่าคิดว่าแค่ค่าใช้จ่ายระหว่างมาบางคนเนี่ย ค่าใช้จ่ายสูงกว่านั้นเยอะบางคนนี่แทบคูณสองบางคนนี่แทบจะคูณสามในขณะที่เจริญกุศลถือการมาที่นี่เราควรระลึกถึงสารณะทั้งสามเลยพระพุทธเจ้าในฐานะผู้ตรัสรู้ธรรมเป็นผู้เปี่ยมด้วยพระมหากรุณาเป็นผู้ที่มีเมตตาอย่างท่วมท้นที่จะสงเคราะห์เนี่ยนะว่าพระองค์เป็นผู้ที่มีเมตตาจริงๆอย่างที่โยมโตกล่าว ขณะเดียวกันเนี่ยพระธรรมที่พระองค์ถ่ายทอดตามสถานที่ต่างๆเราก็ควรระลึกถึงถึงพระธรรมเหล่านั้นเรายังไม่ได้ยินยังไม่ได้ฟังยังไม่รู้แต่ก็ขอนอบน้อมพระธรรมเหล่านั้นที่เป็นธรรมอันดีที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นต้นผู้ที่ได้ฟังธรรมอันดีผู้ที่ได้เจอพระพุทธเจ้าผู้ตรัสรูด้ดีเขาเหล่านั้นคือผู้ที่มีบุญเก่าผู้ที่ได้สั่งสมบุญมาเป็นอย่างดีก็ได้ฟัง อริยสัจธรรมจากพระพุทธเจ้าเขาก็เห็นอริยสัจจริงๆบุคคลผู้เห็นอริยสัจจริงๆเนี่ยท่านนางประชาบดีโคตมีกล่าวว่าแม้แต่เด็กหญิงอายุเจ็ดขวบก็เห็นที่เดรยรถีเนี่ยบวชจนอายุแปดสิบมองไม่เห็นแต่สาวกของพระพุทธเจ้าอายุเจ็ดขวบเนี่ยเดินเข้ามาได้ยินพระพุทธเจ้าเทศบรลุแล้วได้เห็นน่ะได้เห็นสิ่งที่เดียรถีทั้งหลายเนี่ยโหทุ่มเททั้งชีวิต ทุ้มเททุกอย่างเนี่ยนะพวกเดรัจฉีที่เขาบวชในรัตที่เหล่านั้นไม่ใช่เขาคนยากนะไม่ใช่คนโง่ด้วยเขาสแสวงหาแต่เขาหาด้วยตัวของเขาเองเขาหาไม่พบซึ่งต่างจากเด็กหญิงอายุเจ็ดขวบที่ได้เฝ้าพระพุทธเจ้าได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้วเขาเห็นอริยสัจนางวิสาขาบรรลุเป็นพระโสดาบันตั้งแต่เจ็ดขวบแล้วก็มีไม่ใช่น้อยเนี่ยนะพวกที่บรรลุ เป็นพระโสดาบันตั้งแต่เจ็ดขวบเขาเหล่านั้นเป็นผู้ได้เจอความสุขตั้งแต่อายุอย่างน้อยเพราะเขานี่เป็นผู้มีบุญเขาเป็นผู้สั่งสมบุญเขาได้เกิดทันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทีนี้เราทั้งหลายก็คู่ควรที่จะสังเวชใช่ไหมว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงเป็นผู้มีบุญขนาดนั้นตอนนี้เหลืออะไรบ้างเจดีพุทธคยาเนี่ยสมบูรณ์ที่สุดที่เหลือนี่คือซากอิฐทั้งนั้นเลย ถ้าเป็นประเทศไทยเหมือนไปสุขโขทยัยนะคล้ายๆกันทถ้าเราไม่ได้ศึกษาพระธรรมมาดีระดับหนึ่งเนี่ยนะขอมาก็ปลื้มใจกับคณะที่เรามาไม่ได้พูดเอาใจอ่นะแต่ว่าเป็นคณะที่สั่งสมความรู้มากที่สุดเท่าที่รู้จักแล้วเพราะว่าทุกคนก็ศึกษาร่ำเรียนกันมาคุณป้าสุรีก็ศึกษามานานผู้การธงชัยก็ศึกษามานานเป็นต้นเนี่ยหลายคนก็เป็นผู้ที่ฝักฝ่ายในเส้นทางสายนี้กันมาก เพราะฉะนั้นเราก็ถือว่าได้ศูนย์รวมบัณฑิตผลป้าสรีถามว่านี่เราจะเรียกเขาเหล่านี้ว่าเป็นบัณฑิตได้ไหมเขาบอกได้อยู่แล้วเพราะเขาไม่ใช่คนพานคนพานเนี่ยเขามีลักษณะมีนิมิตมียี่ห้อมีเครื่องหมายมีตราสัญลักษณ์ประจําตัวคนพนันถ้าไม่มียี่ห้อเครื่องหมายนิมิตลักษณะนะบัณฑิตเขาไม่รู้ว่าเจ้านี่มันพานเ่ยแล้วรู้ได้ยังไงเขาบอกว่าคนพานเมื่อจะทําก็ทําแต่ความชั่ว ทำเพื่อเบียดเบียนตนทำเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นคนพาลทั้งหลายเมื่อจะพูดก็พูดแต่ความชั่วพูดเพื่อเบียดเบียนตนพูดเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นถ้ากลุ่มคนพาล น, นะเขาพูดนะถ้าข้าพเจ้าพูดเรื่องนี้ไม่จริงใครข้าพเจ้าตาย ท, ทั้งทั้งนี้มันไม่จริงอะ่ะเออาสิใช่ไหมถ้าสมบูสาบานนี่เป็นเรื่องปกติเลยนะให้ตายสิอนยะ่างเงี้ยคาแต่และคําที่เขาพูดออกมานะั้นมันเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนจริงๆเลย แล้วก็คําพูดเหล่านั้นก็ยังเบียดเบียนผู้อื่นแล้วคนผานเวลาคิดเขาคิดยังไงคนผานเนี่ยนะในหมู่แวดวงคนผานน้อยคนนักที่จะคิดว่าขอให้ท่านผู้เจริญทั้งหลายมีความสุขเนี่ยนะมีไหมไม่มีเยอะอาจจะมีอยู่บ้างสักคนสองคนที่แทรกอยู่ในวงนั้นๆถ้าเทียบกับทัวสายอื่นๆเนี่ยนะ ผัวสายท่องเที่ยวยุโรปจะมียอนุโมทนาต่อกันยินดีด้วยนะที่คุณจับจ่ายใช้สอยเสื้อผ้าอย่างงามๆได้มาใช้ที่บ้านรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยนะก็มีไว้คุณหลานแบบนั้นไม่มีอนะแต่ของเราเนี่ยบอกว่าเออเนี่ยยมอ้วนก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะเอาคนนี้พูดอีกขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านก็แสดงว่านี่ก็เป็นเป็นสิ่งที่หาได้ยากในยุคนี้ที่เธอทั้งหลายยังมองกันด้วยสายตาอันเป็นที่รักอยู่หรือ อย่าเข้ากันได้เหมือนน้ํากับน้นํานมอยู่หรืออันนี้ของมาก็ถามว่าคณะเราคงไม่มีใครไปเหยียบเท้าใครเนี่ยนะพอที่จะไปสะเทือนใจกับกันและกันเนี่ยถ้ามีนะของมาให้รู้ว่าโหคนนี้เป็นเอามากแล้ว <c oughs> ในขนาดอยู่ในเหตุการณ์สถานที่ลักษณะนี้ยังเป็นอย่างนี้ได้จะกล่าวไปยายถึงที่อื่นเล่าแต่ว่าจริงๆเราก็คัดธาตุธาตุชนิดเดียวกันเนี่ยนะเขบอกว่าฝูงโคย่อมไปอยู่ร่วมกับฝูงโคฝูงช้างก็ไปอยู่ร่วมกับฝูงช้าง ผู้ที่มอบกายถวายชีวิตอุทิศแด่พระรัตนตรัยก็ไปอยู่ร่วมกันไปอยู่เป็นกลุ่มเดียวกันไปอยู่เป็นพวกเดียวกันเสมอกันด้วยธาตุแต่ธาตุทั้งหลายเหล่านี้ก็นับว่าเป็นธาตุที่ที่ดีซึ่งเชื่อว่าเราทั้งหลายก็นับในบรรดาผู้ปฏิบัติ ด, ดีเราก็คือหนึ่งในจํานวนผู้ปฏิบัติ ด, ดีทั้งหลายถึงไม่ดีเท่าพระรยเจ้าเราก็นับว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติ ด, ดีเพราะอะไรเพราะว่า พระอริยเจ้าทั้งหลายท่านเป็นผู้มีศรัทธาต่อพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็มีศรัทธาในพระองค์พระสาวกเหล่านั้นเนี่ยนะเขาดีใจที่ได้เฝ้าพระพุทธเจ้าถึงเรายังไม่ได้เป็นพระอริยสาวกเราก็ดีใจที่เราได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเราเนี่ยไม่ใช่เป็นผู้เห็นอริยสัจแต่เราก็ดีใจที่ได้ฟังอริยสัจ เราไม่ได้เป็นพระอริยาสาวกเราก็ดีใจที่ได้ไหว้พระอริยาสาวกเพราะฉะนั้นในบรรดาคนที่มีศรัทธาเราก็หนึ่งละในบรรดาผู้มีศรัทธาในบรรดาผู้มีศีลเราก็คนหนึ่งละบรรดาผู้มีศีลก็เป็นทัวร์ที่แต่งตัวธรรมดาเนี่ยใครจะรู้ว่านี่อุโบสถนะสังวรทางวาจาบางคนนี่จะพูดนี่ต้องรูดซิปก่อนนะนะรูดเปิดรูดปิดตอนนี้ยังรักษาอยู่นะตอนนุโมทนาด้วย ก็ไม่ใช่ง่ายๆนะที่จะหาคณะลักษณะนี้ได้เพราะฉะนั้นก็เรายัางใช้ชีวิตร่วมกันอีกสิบวันเนี่ยนะก็ขออนุมโมทนาที่มีเมตตาจิตต่อกันให้มองว่าทุกคนเป็นนาบุญของเราแต่ละคนที่เกี่ยวข้องกับเรานะ่ยเขาคือนาบุญของเรานะในบรรดาผู้ที่ปฏิบัติเพื่อทำโสดาปฏิผลให้แจ้งพวกเราทั้งหลายก็ชื่อว่าเป็น กลุ่มชนที่ปฏิบัติเพื่อทำโสดาปฏิผลให้แจ้งก็นับว่าเป็นผู้ปฏิบัติดีขณะเดียวกันถ้าเราประพฤติไม่ดีคิดไม่ดีต่อท่านทั้งหลายก็ก็ขาดทุนชีวิตละว่านงนั้นนะวันนี้ก็ยังพูดกับผู้การเลยบอกว่าของอันดา ม, มานะมาครั้งนี้นี่กาไรไม่ได้มากไม่เป็นไรแต่อย่าขาดทุนกลับไปใช้ได้ก็ทำไมรู้ไหมว่าอะไรที่จะเป็นการห้ามบุญคนอื่นง้อมาจะไม่ทา จะไม่ทำโดยประการทั้งปวงเพราะว่าอันนี้ก็คือเดี๋ยวเสียต้นทุนหมดนะยนะ <c oughs> ยังไงยังไงก็สเสมอตัวกลับบ้านก็ยางนี <c oughs> ดังนั้นก็เราทั้งหลายเวลาคนอื่นเขาเจริญบุญเนี่ยนะก็ไม่ควรขวางถ้ายิ่งเขาให้ทานเนี่ยถ้าเรากล่าวห้ามการให้หนึ่งข้อเสียหายห้ามบุญของผู้ให้สองห้ามลาภของผู้รับตัวผู้ห้ามเองก็จะประสบบาปไม่ใช่บุญเป็นอันมาก แต่ขณะเดียวกันถ้าเราจะบอกกันบอกว่าถ้าคุณจะให้ทานคุณพิจารณาให้รอบคอบหน่อยนะว่าเนี่ยการให้เหล่านี้จะลําบากไหมเป็นต้นเนี่ยนะก็ให้พิจารณาหน่อยให้ทบทวนหน่อยแต่ถ้าห้ามให้ทานห้ามตรงๆเลยไม่ดีเท่าไหร่ถ้าการห้ามให้ทานเนี่ยนะก็เสียประโยชน์ใช่ไหมอย่างสมมว่าเจ๊หมวยก็จะบริจาคทานบอกเจ๊หมวยอย่าให้อย่างเงี้ยเดี๋ยวขาดทุนนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเด็กเหล่านั้นเขาก็ขาดลาบเจ๊หมวยก็ขาดบุญ ถามว่าห้ามอย่างนี้จิตเป็นอย่างไรเป็นบุญไหมก็ไม่เป็นแต่ในขณะเดียวกันเจ๊ห ม, มวยก็ต้องรู้เวลาให้เหมือนกันนะถ้าโมท่าไม่รู้เวลาให้เดี๋ยวคนอื่นเขาจะได้บาปไปเยอะเนี่ยนะว่เขาจะคอยห้ามบอกอย่าเพิ่งให้อย่าเพิ่งให้ เ, ใหเดี๋ยวคนเดียวคนอย่างนั้นนะก็คือให้พิจารณาเหมือนกันเพราะว่าเจ๊ห ม, มวยไม่ใช่ปัญหาเนี่ยนายยกตัวอย่างนะเพราะแกไม่โกรธอยู่แล้วจใจดีต้องหาคนใจดีนะมาเป็นตัวอย่างเลยไหมหาคนดูดหน่อยเป็นตัวอย่างเีลยจะได้ศัตรูคู่เวรเพิ่มอีกนะ พราันธ์ก็ถ้าหากว่าเราเป็นเป็นหน่อยนะก็จะเกื้อกูลกันเกี่ยวข้องกันด้วยจิตที่เป็นเป็นบุญเป็นกุศลเป็นไปเพื่อสุขแล้สอมนะทุกคนก็จะระลึกถึงแล้วไม่มีตราบาปติดใจอยา่างนั้นเใช่พันธ์กิจกรรมที่เราบำเพ็ญอยู่นี้ซึ่งทุกคนก็เหมือนกับเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์ในาศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็ชื่อว่าเป็นพรหมจรรยบุคคลทีนี้ขณะเดียวกันเราทั้งหลายก็ ให้เจริญกุศลชั่วระยะเวลาสั้นๆ น, นะอีกไม่นานเราก็จะได้กลับบ้านแล้วซึ่งเราก็ไม่ควรที่จะนึกถึงอะไรนึกถึงสิ่งเหล่านี้ให้ด่างพร้อยเพราะช่วงนี้นะคิ ด, ดว่าช่วงมุญนะเจตนาก่อนหน้านี้ปาเป็นอะไรปุถัมเจตนาช่วงนี้เป็นมุญนะเจตนาอยู่เพราะเมื่อกลับไปถึงบ้านมันจะเป็นอ布ราประเจตนาทีนี้เราจะระลึกด้วยปีติโสมนัตหรือไม่ บางคนนะถึงมาเจริญกุศลตอนนี้ยังไม่มีปีติสักเท่าไหร่คุณอย่าทำอะไรให้มันเป็นบาปไปแล้วกันรักษามหากุศลอุเบคาตัวนี้ให้ดีถ้าอย่างไรก็ต้องเป็นมหากุศลแล้ววันหลังนึกจะดีใจเองนึกถึงกรรมอันไม่มีโทษนึกถึงบุญที่ได้ทำถึงบุญเหล่านั้นเป็นอุเบคาแต่ก็ยังเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัสได้เพราะกุศลเนี่ยไม่เดือดร้อนในตอนทำ และต่อไปนะแม้แต่กุศลเหล่านั้นเป็นอุเบกขาก็ยังเป็นปัจจัยแห่งตีติเป็นปัจจัยแห่งสุขและโสมนัตแต่กุศลระดับสูงจริงๆแล้วท่านยกย่องประเภทอุเบกขานะไม่ยกย่องประเภทโสมนัตเพราะอะไรเพราะโสมนัตใกล้ต่ออะไรใกล้ต่อตันหาใกล้ต่อโลภะถ้าเจริญกุศลวันหลังไม่โสมนัตจะทําใจได้ไห ม, ไมเดี๋ยวจะลําบากใจในภายหลังเพราะฉะนั้นถึงทําด้วยอุเบกขาก็อย่าเสียใจเลย บางคนก็โสมนัสไม่เท่าคนอื่นก็ไม่ต้องไปเสียใจอะไรหรอกเพราะว่าอุเบกขาเนี่ยถ้าเจริญได้แบบอุเบกขาได้เนี่ยนะจะกล่าวไปใหญ่โสมนัสจะเจริญไม่ได้เพียงแต่ว่าอุเบกขายัางเจริญได้ถ้ามีปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งกุศลก็ทําด้วยอุเบกขาแต่อุเบกขาเหล่านี้ไม่มีโทษให้ผลเป็นสุขเป็นสิ่งที่ควรเจริญและจะเป็นปัจจัยแห่งความสุขในตอนหลังก็ขออนุโมทนากับการเจริญกุศลในครั้งนี้ด้วยนะ เช่น่าน